วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่พวกเราจะมาทำการทดแทนบุญคุณของคุณพ่อและคุณแม่ผู้บังเกิดเกล้าด้วยการปฏิบัติบูบชาด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรม นี้จะทำให้เราได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเมื่อเราได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วเราก็จะสามารถสอนบิดามารดาให้ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเช่นเดียวกันถ้าได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วก็จะ หลุดพ้นจากการที่จะไปเกิดในอบายและถ้าได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดของพระอริยบุคคลคือพระอาหารหันต์ก็จะสามารถหลุดพ้นจากวัตตะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างถาวรไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีการบูชาแบบไหนในโลกนี้ ที่จะสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติเองและญาติพี่น้องได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายหรือหลุดพ้นจากการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติบูบบชามาพระองค์ทรงสละราชสมบัติ แล้วก็เสด็จออกบวชเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมจนในที่สุดก็ได้ตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงไปโปรดพระพุทธมารดาพระพุทธบิดาและ พระราชิยาทั้งหลายจนบุคคลเหล่านั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆกันเช่นพระพุทธมารดาที่หลังจากได้ประสูติพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะได้เจ็ดวันก็ทรงเสด็จสวรรคตพอพระพุทธเจ้าส6ปี ส5สิบห้าปีต่อมาหลังจากที่ได้ตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่งใช้กระแสจิตนี้ติดต่อกับพุทธมารดาที่อยู่ในสวรรค์และได้ใช้กระแสจิตนี้สั่งสอนอบรมพุทธมารดาอยู่หนึ่งพันษาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคล ขั้นที่หนึ่ง mm hmm. ผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระสูดาบรรุแล้วนี้จะไม่ต้องกลับมาไปเกิดในอบายอีกต่อไปไม่ว่าจะเคยทำบุญทำบาปทำบาปมาหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ตามจะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายนั้น mm hmm. แล้วก็จะเหลือพบชาติไม่เกิน เจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์และได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปพระพุทธเจ้าถ้าไม่ทรงออกบวชไม่ทรงปฏิบัติธรรมไม่ทรงปฏิบัติบูบชาถ้าประทับอยู่ในพระราชวังก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรร ดังที่มีโหนได้พยากรณ์เอาไว้แต่การเป็นพระมาหาจากาักรพรรดนี้ไม่สามารถช่วยบิดามารดาให้เป็นพระอริยบุคคลได้ไม่สามารถทำให้ท่านหลุดจากการต้องไปเกิดในอบายได้คือต่อให้พระพุทธเจ้าเลี้ยงดูพระ ราชบิดาและพระราชมารดาให้ดีขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณของบิดามารดาได้เท่ากับการที่ทำให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเพราะจะเลี้ยงดูในฐานะมหาัจาการพัฒให้แก่บิดามารดา ให้ดีขนาดไหนก็ตามตายไปก็ต้องไปใช้ใช้กรรมกันไปรับผลบุญผลบาปกันถ้าทำบาปไว้มากกว่าทำบุญบาปก็จะต้องดึงให้ไปเกิดในอบายไม่ว่าจะเป็นมหากตรย์เป็นบิดามารดาของมหาจากักรพรรดิหรือเป็นใครก็ตาม กฎแห่งกรรมนี้ไม่มีการไว้หน้าใครทั้งนั้นใครทำอะไรไว้แล้วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั่นคือกฎแห่งกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดมีกมมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นยกเว้นพาระอริยบุคคลเท่านั้นที่ไม่ต้องไปรับผลบาปอีกต่อไปมีแต่จะรับผลบุญไปตามลำดับขั้นไปจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานนี่แหละคือการบูชา ที่แท้จริงการบูชาที่จะได้ผลอันเลิศอันประเสริฐต้องบูชาแบบพระพุทธเจ้าได้ทรงบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณของบิดามารดาของเรามาปฏิบัติธรรมกันเถอะมาบรรลุธรรมกันเถอะ เมื่อบรรลุแล้วเราจะได้รู้จักวิธีสั่งสอนผู้อื่นให้บรรลุทำได้ถ้าเรายังไม่ได้บรรลุทำนี้เราจะไม่สามารถสั่งสอนผู้อื่นให้บรรลุทำได้แต่พอเราบรรลุทำแล้วเราจะสามารถสั่งสอนผู้อื่นที่มีความสนใจมีศรัทธาความเชื่อ มีความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมได้บรรลุธรรมกันโดยเฉพาะบิดามารดาของพวกเราที่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับพวกเรามากที่สุดเขาจะเป็นคนที่จะมีศรัทธามีความเชื่อในตัวเรามากที่สุดกว่าเชื่อคนอื่นและถ้าเขาเชื่อว่าเราได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากกอบาย เขาก็อยากจะหลุดพ้นเหมือนกับเราเขาก็จะศึกษาจะถามเราเองเราก็จะสามารถที่จะช่วยให้เขาได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างบรรดาพระญาติต่างๆพระราชบิดาพระราชารนดาทั้งบรรดาเลี้ยงด้วย ทั้งมเหสีด้วยทั้งพระราชโอรสด้วยได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันทั้งนั้นอย่างน้อยที่สุดก็ได้ปิดประตูอบายไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปสำหรับบางท่านที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพาาระอรหันต์อย่างพระราชบิดานี้พระพุทธเจ้าก็ส่งไปโปรดเจ็ดวันก่อนที่จะเสด็จสอนคตได้บรรลุเป็นพาาระอรหันต์ ถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าจะมีใครไปก้าสอนพระมาหากษัตริย์แล้วมีพระมาหากษัตริย์จะให้ใครไปสอนได้ถ้ามีลูกเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็อยากจะให้พระพุทธเจ้าให้ลูกนี้มาช่วยแล้วพอลูกสอนบอกอย่างไรก็เชื่อทำตามเมื่อทำตาม ผลก็จะเกิดขึ้นดังนั้นขอให้พวกเราในวันแม่นี้ให้เรามาทดแทนบุญคุณของแม่ของเราและพ่อของเราและผู้มีพระคุณทั้งหลายด้วยการปฏิบัติบูบบชากันเถิดมาปฏิบัติให้พวกเราได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกัน เมื่อเราได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วเราก็จะสามารถสอนให้ผู้อื่นนั้นบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าเรายังไม่ได้บรรลุนี้เราจะสอนไม่ได้เพราะเราจะไม่รู้จักวิธีตัวเราเองยังไม่ได้บรรลุแล้วเราจะไปสอนให้ผู้อื่นเขาบรรลุได้อย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้า กอนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีพระอาาริยบุคคลปรากฏขึ้นมาเลยแม้แต่รูปเดียวแต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแล้วทรงนําเอาพระธรรมคําสั่งสอนนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่สนใจผู้ที่มีศรัทธา ความเชื่อพอเขาได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็ปรากฏมีพระอริยะสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากการแสดงธรรมครั้งแรกก็ปรากฏมีหนึ่งท่านได้เป็นพระโสดาบันคือพระอญญยนโกนทัญญาแล้วหลังจากที่แสดงธรรมให้กับพระปั จ, จวัวคี อีกสองสามครั้งก็ทำให้พระปัญจวัคคีทั้งห้ารูปนั้นได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์พร้อมๆกันหลังจากนั้นก็ทรงไปโปรดนักบวชของรัทถิอื่นกันผู้ที่มีเอ็นซีที่แก่กล้าคือมีสีมีสมาธิแต่ขาดปัญญาพอทรงแสดงปัญญาความรู้ ที่พระ อ, องค์ทรงได้ตัดสรุ้ที่ทำให้พระ อ, องค์ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆพอสอนให้บุคคลเหล่านั้นได้ฟังกันเขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วบรรลุในขณะที่ฟังทำนั่นเลยครั้งหนึ่งก็สแสดงให้กับ นักบวชในรัฐที่อื่นห้าร้อยรูปพ อ, พอแสดงเสร็จนักบวชเหล่านั้นทั้งห้าร้อยรูปก็ได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์พร้อมๆกันไปเลยระยะเวลาที่ทรงแสดงทำเจ็ดเดือนแรกตั้งแต่วันเพ็เดือนแปดวันอาสาหบูชาไปจนถึงวันเพ็ญเดือนสาม ก็เป็นเวลาเจ็ดเดือนด้วยกันก็มีปรากฏการณ์นน่าอัศจรรย์ใจปรากฏขึ้นมาคือมีพระอาหารหันตสาวก 1,250 รูปที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้อบรมสั่งสอนให้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันและได้บวชกับพระพุทธเจ้าโดยตรง หลังจากที่ได้ไปจาริกตามสถานที่ต่างๆเพื่อเผยแผ่ทมให้แก่ผู้อื่นในวันเพนเดือนสามนั้นในเในวันเพเดือนสามนั้น <c oughs> มีความปรารถนาที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความกระตันอยู่ด้วยความสำนึกในพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็ได้มา เฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนคิดดูเพียงระยะเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระธรรมคําสอนก็มีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของโลกอยู่ถึงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปด้วยกันเป็นอย่างน้อยที่ไม่ได้มาก็คงจะมีอีกจํานวนหนึ่ง นี่คือความมหัศจรรย์ของการปฏิบัติธรรมทําให้ได้สิ่งที่เลิศสิ่งที่วิเศษคือได้อริยบุคลคลคําว่าอริยะก็แปลว่าผู้ประเสริฐบุคคลที่ผู้ที่ประเสริฐนี้ไม่มีใครจะประเสริฐเท่ากับบุคคลในพระพุทธศาสนาคือพระอริย บุคคลสี่ระดับด้วยกันคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหรันต์พระโสดาบันนี้เหลือภพชาติไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากพระสกิดาคามีเหลือการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวพระอนาคามีนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตามลําดับต่อไปส่วนพระอาหารหันต์นี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแม้แต่ในสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นพรหมนี่ถือว่าเป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากที่สุดแต่สวรรค์ชั้นพรหมนี้ถ้า ได้รับจากการเจริญสมาธิเพียงอย่างเดียวนี้ยังจะต้องมีความเสื่อมผู้ที่ยังไม่มีปัญญาผู้ที่ยังไม่สามารถขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรมได้ด้วยปัญญานี้ยังสามารถขึ้นได้ด้วยชั้นสมาธิซึ่งมีการบรรลุถึงสวรรค์ชั้นพรมนี้ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรุโรแต่การบรรลุ ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรมด้วยพลังของสมาธินี้เป็นสวรรค์ชั่วคราวเมื่อกำลังของสมาธิที่ส่งให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมนี้หมดกำลังลงจิตก็จะต้องเสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพและจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะเสื่อมลงมาสู่การเป็นมนุษย์ใหม่ ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาอีกะไม่มีใครที่จะสามารถเล็ดลอดออกจากวัฏฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยถ้าไม่มีปัญญาของพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้นําทางพอมีพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งค้นพบปัญญาที่จะนําพาสัตว์โลกให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ก็ปรากฏมีผู้ที่น้อมนําเอาไปปฏิบัติกันและได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายกันเป็นจำนวนมากเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุดก็สอง0ันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วเพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ยังสามารถยังประโยชน์ยังสามารถพาให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปแล้วถึงเวลา 2,500 กว่าปีก็ตามแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้เนียนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าผู้ใดน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็เหมือนกับได้ฟัง คำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงธรรมสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเสื่อมเหมือนกับสิ่งของต่างๆสิ่งของต่างๆนี้เขามีวันเสื่อมเหมือนสินค้าต่างๆหรือยาหรืออาหารต่างๆสมัยนี้เวลาเราไปซื้ออาหารซื้อยาซื้อของใช้เขามักจะมีฉลากเขียนติดไว้ว่า วันเสื่อมวันหมดอายุต้องบริโภคก่อนวันวันที่เท่านั้นเท่านั้นถ้าบริโภคหลังจากวันนั้นแล้วจะไม่ได้รับประโยชน์หรือกลับจะได้รับโทษเพราะประสิทธิภาพของสินค้านั้นเสื่อมไปแล้วแต่พราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีฉลากติดไว้ ถ้ามีก็จะเขียนว่าอาการลิโกคือไม่มีวันเสื่อมตามการตามเวลามีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไรในสมัยพระพุทธการในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ประกาศพระธรรมคำสอนเองในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอย่างสมัยนี้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมอยู่ ผู้ปฏิบัตินี้ไม่ต้องลังเลสงสัยผู้บริโภคนี้ไม่ต้องบัลลังเลสงสัยซื้อสินค้าชนิดนี้ได้เลยซื้อแล้วก็นาเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับเมื่อสองพันห้าร้อกว่าปีมาแล้วสินค้าชนิดนี้เป็นสินค้าชนิดเดียวในโลกนี้ที่มีอายุยืนยาวนานที่คงเส้นคงวา อยู่ได้นานกว่าบรรดาสินค้ า, ต, าต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นี่คือความวิเศษความประเสริฐความมหัศักด์สทร์ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเร า, เราจึงไม่ต้องลังเลสงสัยถ้าเราอยากที่จะได้หลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายก็ดี หุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ดีเราต้องศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามการศึกษาและการปฏิบัตินี้เป็นของที่ต้องไปด้วยกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วผลจะไม่เกิด ถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วไปปฏิบัติก็จะไม่ได้เกิดผลเพราะไม่รู้วิธีที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกผลก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่อาจจะไม่ได้เต็มที่เต็มร้อยแต่ถ้าศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติผลก็ไม่เกิดเช่นเดียวกันการศึกษานี้เป็นสิ่งที่จําเป็น เหมือนกับการเดินทางถ้าไม่มีแผนที่หรือมีผู้นำทางเราจะไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปนั้นไปในทิศทางไหนแต่ถ้าเรามีผู้นำทางหรือมีแผนที่ผู้นำทางก็คือพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทั้งหลาย แผนที่ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องศึกษาแผนที่ก่อนหรือเราต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าเองหรือศึกษาจากพระอริยสงสาว ก, กันก่อนโดยการฟังเทศฟังธรรมสนธนาธรรมต้อเรียกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนะธรรมะสวังกาเลนะธรรมสากัดชา้า เอตัมมังกัละมุตตะมังการฟังทำตามการตามเวลาการสนทนาทำตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนและสิ่งที่เรารู้แล้วเมื่อเราได้ฟังซ้ำอีกก็จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น ที่กว้างขวางขึ้นที่ลึกซึ้งขึ้นแล้วจะกำจัดความลังเลสงสัยไปได้ถ้าพวกเรายังลังเลสงสัยว่าการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้จะได้ผลหรือไม่พระพุทธเจ้าส่งจากพวกเราไปแล้วตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าผลที่เราจะปฏิบัติ เราทำที่เราจะปฏิบัตินี้จะส่งผลได้เหมือนกับสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมหรือศึกษาพระธรรมคําสอนเราจะหายสงสัยจะกําจัดความลังเลสงสัยไปได้จะทําให้มีความเห็นที่ถูกต้องเช่นเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกเอไม่มีวันเสื่อมตามการตามเวลา ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาโตพระกวาตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งหมดเช่นเรื่องของมรรคผลนิพพานเรื่องของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการปิดประตูอบายต่างๆเหล่านี้เป็นความจริงทงนั้นไม่มีอะไรที่เป็นของปลอม แปกบอมเข้ามาแทรกในคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยผู้ที่น้อมนําเอาไปปฏิบัตินี้ได้พิสูจน์กันมาแล้วทุกๆคนว่าเป็นสวากขาโตูปะวตาธรรมโอกันทั้งนั้นพระอริยสงสาวกทุกรูปทุกองค์นี้ไม่มีใครมาว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสวากขาโตูปะกวตาธรรมโอ ไม่มีใครมาว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นไปตามความเป็นจริงทุกองค์ผู้ที่บรรลุ ธ, ธรรมนั้นรับรองกันทั้งหมดว่าเป็นสวากขาโตพระกัตาธโมทั้งนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านเหล่านี้หรือศึกษาจากพระธรรมคําำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกก็ดี ถ้าเราศึกษาแล้วเราจะได้ประโยชน์เหล่านี้ขึ้นมาจะมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องจะกาจัดความนังเลสงสัยให้หมดไปได้ mm hmm. แล้วจะทำให้จิตใจสงบผ่องใส mm hmm. จะทำให้เกิดศรัทธาเกิดฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจ ให้กับการปฏิบัติธรรมให้กับการศึกษาพระคำคำสอนอย่างต่อเนื่องการศึกษานี้ต้องควบคู่ไปกับการปฏิบัติศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติแล้วก็กลับมาศึกษาต่อแล้วก็นำไปปฏิบัติต่อเพราะว่ามีข้อมูลรายละเอียดต่างๆมากมายที่จะต้องศึกษาเพิ่มไปทีละเล็กทีละน้อย ตามลำดับของการปฏิบัติจะมาศึกษาพระไตรปิฎกให้หมดตู้แล้วไปปฏิบัตินี่มันมากเกินไปแล้วมันจะจาไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์เอาทีละขั้นดีกว่าขั้นที่หนึ่งสอนให้ทำอะไรนำเอาไปปฏิบัติขั้นที่สองสอนให้ทำอะไรนำเอาไปปฏิบัติขั้นที่สามขั้นที่สี่สอนให้ทำอย่างไรก็นำไปปฏิบัติ เช่นขั้นที่หนึ่งก็สอนให้ทำทานเอาไปปฏิบัติให้ได้ทำทานได้แล้วก็ให้ไปรักษาศีลห้าก่อนรักษาศีลห้าได้แล้วก็ให้เพิ่มเป็นการรักษาศีลแปดรักษาศีลแปดได้แล้วก็ไปภาวนาได้ไปปริกวิเวกไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดเพื่อที่จะได้เจริญสมถะภาวนา การจะเจริญสัมามาทัปพันนาก็ต้องมีสติเป็นเครื่องมือสติจะเป็นผู้ที่จะควบคุมความคิดปรุงแต่งของใจที่ทําให้ใจไม่สงบนี้สงบตัวลงไปถ้ามีสติจะสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้พอความคิดปรุงแต่งต่างๆสงบระ ง, งับไปความสงบก็ปรากฏขึ้นมาความสุขที่ ยิ่งกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ก็จะปรากฏขึ้นมายังมีพระธรรมคําสอนที่ตัดไว้ว่านัตสันติบาังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีต่อให้ได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านต่อให้ได้เป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นมหาจากักรพรรดิก็ตามเถิดความสุขที่ได้รับ จากการเป็นเหล่านี้สู้ความสุขที่ได้รับจากการทำใจให้สงบไมได้ผู้ใดถ้าจิตรวมถึงถึงฐานถึงขั้นที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิแล้วจะมีความอัศจรรย์ใจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้ถูกอัตเตรีรางวัลที่หนึ่งแต่มันจะดีกว่าหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าด้วยกัน จะทำให้ไม่อยากจะได้อะไรต่างๆในโลกนี้อีกต่อไปคยเป็นอะไรก็จะทิ้งหมดนะอย่างพระพุทธเจ้านี่เป็นพระราชามหากษัตย์เป็นพระราชาโอรสนะท่านเคยได้ประสบพบกับความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบในขณะที่ทรงพยาวัยอยูนะ่ความจำหดถึงความสงบของความสุขนั้นยังมีอยู่ในพระไทยของพระองค์ พอถึงเวลาที่พระองค์จะต้องสละราชสมบัติก็ทรงสละได้อย่างง่ายดายไม่มีเยื่อใยอะไรเลยพอตัดสินพระทัยว่าถึงเวลาต้องไปปั๊บไปเลยไม่ไปลาใครไม่ไปถามใครว่าควรจะไปหรือยังถึงเวลาไปไปเลยเพราะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่พระองค์มีอยู่ที่ทางโลก เห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นสำหรับพระองค์เองแล้วนั้นเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เสียมากกว่าทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกว่าเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของพระองค์สักวันหนึ่งพระองค์จะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปหมดพระองค์จึงสามารถที่จะสละราชสมบัติได้อย่างง่ายดายไม่มีความรู้สึกเสียดายเลย เพราะสิ่งที่พระองค์จะทรงไปรับนั้นมีคุณค่ามหาศาลกว่าสิ่งที่พระองค์จะทรงเสียไปนั่นเองถ้าเราต้องเสียเงินร้อยเพื่อแลกเงินล้านนี่เรายินดีเสียกันไหมยินดเนีเพราะทุกวันทุกเดือนเนี่ยวันละเดือนละสองครั้งนี่ยินดีที่จะเสียเงินน้อยเงินผ่านกันทั้งนั้นเพื่อจะได้เอาเงินแสนเงินล้านกัน เพียงแต่ว่ามันจะได้หรือไม่ได้เท่านั้นส่วนใหญ่มันจะถูกหลอกมันจะไม่ได้กันเสียมากกว่าเสียไปเปล่าๆสู้เก็บไว้ไปกินขนมดีกว่าแต่ก็ยังมีความหวังว่ามีโอกาสที่จะได้มีใครจะไม่อยากจะได้มั่งถ้าเสียเงินร้อยแล้วได้เงินแสนกลับมานี่แต่ของพระพุทธเจ้านี่ของจริงเสียของที่ราคาเป็นร้อย แต่ได้ของที่เป็นราคาเป็นล้านกลับมาคือความสงบของใจนี่ถ้าเปรียบเทียบกับความสุขทางโลกทางลาบยศสระเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสปฎภะแล้วความสุขเหล่านี้เหมือนกับเงินร้อยเงินพันแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นเหมือนเงินล้านเหมือนเงินพันล้านมีใครจะไม่ยินดีที่จะแลกมาก ปัญหาก็คือยังไม่เคยได้ประสบกันนะสิจึงไม่ไม่มั่นใจไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ถ้าได้ลองพบแล้วรู้แล้วว่ามีอยู่ในตัวของเรารู้ว่าวิธีที่จะทําให้มันเกิดขึ้นมานี้ทําอย่างไรรับรองได้ว่าไม่เป็นไม่ว่าใครก็ตามมีอะไรในโลกนี้สละได้หมดเป็นมหาจักรพรรดิก็สละได้เป็นมห า, า ก, กษัตริย์ก็สละไ ด, เะได้เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกเป็นมหาเศรษฐี เป็นอะไรก็ตามเถิดสละได้หมดเพราะมันสุขไม่เท่ากันนั่นเองเสียสุขส่วนน้อยไปเพื่อได้สุขที่ส่วนใหญ่กว่ามีใครจะไม่อยากจะเสียกันมีใครจะไม่อยากจะแลกกันปัญหาก็คือพวกเรามันไม่ได้เจอความสุขแบบนี้กันนั่นเองเมื่อไม่เจอก็เลยไม่กล้ากันกลัวกันกลัวว่าเดี๋ยวจะไปอดตายซะก่อน ถ้าออกบวชแล้วเดี๋ยวปฏิบัติไม่ถึงต้องไปอยู่แบบขอทานอดอยากขาดแคลก็จะกลัวกันสู้อยู่แบบนี้ดีกว่ากินอยู่กันอย่างอิ่มหมีพีมันอยากจะกินเมื่อไหร่ก็ได้กินอยากจะทำอะไรเมื่อไหร่ก็ได้ทำแต่กำลังกินกำลังทำอยู่กับกองทุกโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความสุขที่กำลังแสวงหาอยู่แสวงหาอยู่นี้กาลังเสพอยู่นี้ มันเป็นความสุขปลื้นป้อนเป็นความสุขหลอกลวงเป็นความสุขที่ดีไม่ดีเผลอแป๊บเดียวกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวอยู่ดีๆสามีภรรยาตายจากไปทันทีทันใดความสุขที่ได้รับจากสามีภรรยาก็หายไปหมดสิ่งที่มาแทนที่ก็มีแต่ก็คือความทุกข์นั่นเองนี่คือสิ่งที่ ผู้ที่ไม่มีปัญญาอย่างพวกเราจึงหลงไหลกันนักกันหนาอยากได้กันนักกันหนาโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่ากำลังจะถูกเชื่อต์ถูกความเชือดถูกความถูกความทุกข์เชื่อดเราในขณะที่ความสุขที่เราได้รับมันสูญไปหมดไปแต่ถ้าเรามีปัญญามีความฉลาดหรือ จเจริญปัญญาตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราจะไม่ถูกหลอกอย่างง่ายๆถ้าเราทำตามที่พระเจ้าทรงสอนคือให้ละลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆให้ละลึกถึงการสูญเสียถึงการพัดพรากจากกันอยู่เรื่อยถ้าเราละลึกอยู่เรื่อยๆนี้เราจะไม่หลงงมงายอยู่กับความสุขของลาบยศเสริญ ความสุขของตาหูจมูกเอ็นกายเพราะเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราจะไม่สามารถที่จะหาความสุขเหล่านี้ได้เวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอมมาพิกอมมาพาพิกลพิการแขนขาดขาขาดหูหนวกตาบอดหรือเวลาตายไปจะไปหาความสุขได้อย่างไรในเมื่อเครื่องมือที่เราใช้คือร่างกายของเรา มันหมดสภาพไปแล้วหรือไม่เช่นนั้นก่อนที่ร่างกายมันจะหมดสภาพก่อนที่มันจะแก่เจ็บตายบางทีเงินทองมันก็หมดไปก่อนก็ได้ยศก็อาจจะหมดไปก่อนก็ได้สัตว์รเสรินก็อาจจะหมดไปก่อนก็ได้รูปเสียงกินรสปฐมะที่เราใช้เสพอยู่ก็อาจจะหมดไปก่อนก็ได้เช่นสามีของเราภรรยาของเรา เขาก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะดีๆนี่เองที่เราใช้เขามาเสพนะแต่พอวันดีคนดีเขาทิ้งเราไปเรื่อเขาตายไปนี่เราจะเอาอะไรมาเสพนะนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาที่พวกเราไม่ยอมดูกันไม่ยอมพิจารณากันถ้าเราเชื่อพระพเจ้าแล้วหมั่นพิจารณาอยู่เนือง ว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาถ้าเราพิจารณาอยู่เนืองๆเราจะได้ไม่ไม่หลงละเิงและไม่ยึดไม่ไม่ไม่ติดอยู่กับสิ่งต่างๆเช่นร่างกาย เราจะเตรียมตัวเตรียมจะอยู่แบบไม่มีไม่มีร่างกายคือไม่ใช้ร่างกายเราจะอยู่ด้วยการมาหาความสงบกันเพราะถ้าเรามีความสงบแล้วความสงบนี้ไม่ต้องอาศัยร่างกายความสงบนี้อาศัยสติอาศัยธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราเจริญกันให้เจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้ามีสติแล้วเราจะสามารถดึงใจให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ให้ใจสงบวางเฉยเป็นอุเบกขาได้ให้ใจมีแต่ความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายแก่ก็สามารถทําใจให้สงบได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถทําใจให้สงบได้ ร่างกายตายก็ยังสามารถทําใจให้สงบได้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเลยเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ใช้สติเป็นตัวหลักแล้วก็ใช้ปัญญาเป็นผู้มารักษาให้อยู่ไปอย่างถาวรทัน้นต้นต้องใช้สติก่อนเพราะสตินี้ง่ายกว่าปัญญาหลายร้อยหลายพันเท่า สติเพียงแต่ละลึกคำว่าพุโทโธพุธโทโธไปเพียงคำเดียวนี้ก็เป็นสติขึ้นมาแล้วส่วนปัญญานี้มันยากกว่ามันต้องพิจารณาให้เห็นอนิจจาว่าเป็นอย่างไรให้เห็นว่าทุกขังเป็นอย่างไรให้เห็นว่าอนัตตาเป็นอย่างไรถึงจะสามารถที่จะมีปัญญาได้แต่ถ้ามีปัญญาแล้วจะสามารถรักษาความสงบ ที่เกิดจากการเจริญสติได้ให้อยู่ไปอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องดูแลรักษาโดยที่ไม่ต้องใช้สติคอยประครับประคองแต่ถ้าได้ความสงบจากสติเพียงอย่างเดียวก็ต้องคอยประครับประคองไปตลอดเวลาด้วยสติเวลาใดเผลอปลอป่อยให้ความอยากมารุมแล้วปล่อยให้ไปทาตามความอยากต่างๆความสงบที่ได้ จากการประครับประคองด้วยสติจะหายไปหมดแล้ ว, ลวความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีแต่ถ้ามีปัญญาแล้วนี้ละกำจัดตัญหาความอยากต่างๆที่เป็นตัวก่อกวนให้เกิดความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปได้แล้วไม่ต้องดูแลรักษาใจถึงต่อไปไม่ต้องมีสติไม่ต้องมีปัญญาเอาเก็บไว้ในตู้ เ, เก็บไว้ในบิณฑบาได้ ถ้าจะใช้ก็ใช้เพื่อนำมาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างเวลาพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกท่านแสดงธรรมนี้ท่านต้องใช้สติปัญญาเอามาสั่งสอนพวกเรากันแต่สำหรับใจของท่านนี้ท่านไม่ต้องใช้สติปัญญามาควบคุมรักษาอีกต่อไปเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บที่อาศัยยาในการรักษาให้หายขาดพอ โรคภายไข้เจ็บได้หายขาดจากการรับประทานยาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องรับประทานยาอีกต่อไปรับประทานหรือไม่รับประทานมันก็มีผลเท่ากันคือมันไม่ได้ทำให้ <c oughs> ร่างกายมันเป็นอะไรไปต่อไปไม่รับประทานมันก็หายอยู่แล้วรับประทานมันก็หายอยู่แล้วฉันใดใจของผู้ที่ได้รับการ ดูแลรักษาด้วยสติปัญญาด้วยการทาลายตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจแล้วนั้นใจดวงนั้นไม่ต้องมีอะไรมาปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาอีกต่อไปสติปัญญานี้ <c oughs> เป็นเหมือนยารักษาใจเมื่อใจหายจากความทุกข์ใจแล้วไม่ต้องกินยาต่อไปไม่ต้องมีสติไม่ต้องมีปัญญาเพราะจะทำอะไรมันก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมา เพราะมันไม่ได้ทำด้วยความอยากนั่นเองนี่แหละคือความวิเศษของการที่เราปฏิบัติธรรมกันเราจะได้สิ่งที่วิเศษที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถให้กับเราได้นอกจากการปฏิบัติธรรมก็คือการดับความทุกข์ได้อย่างถาวรและรักษาความสุขที่สุข เหนือกว่าความสุขทั้งหลายให้อยู่คู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็จะทำให้เรานี้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้หลุดพ้นจากอาบายก็ดีจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ก็ดีถ้าเขามีศรัทธามีความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติเขาก็จะได้รับประโยชน์เหมือนกับที่เราได้รับประโยชน์ นี่แหะคือวิธีที่เราควรที่จะปฏิกระทำกันถ้าเราอยากจะตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาของพวกเราให้ได้หมดสิ้นเลยต้องตอบแทนด้วยการปฏิบัติบูบชาเพื่อได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเมื่อเป็นพระอริยบุคคลนะก็จะสามารถสอนให้พ่อแม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลด้วย ต่อให้เราเลี้ยงดูของเลี้ยงดูท่านให้ดีขนาดไหนก็ตามแบกอยู่บนไหลบนบ่าให้ท่านอุจจาระปัสสะถ่ายใส่ร่างกายเราเพราะกุณที่เราที่ท่านมีต่อเรานี้เราก็ยังไม่สามารถทดแทนได้หมดสิน้นจากการดูแลเลี้ยงดูท่านแต่ถ้าเราสามารถสอนให้ท่านทำให้ท่านได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้ว เพคุณต่างๆที่ท่านมีกับเรานี้จะหมดสิ้นไปเลยดังนั้นขอให้พวกเรามาทดแทนบุญคุณของแม่ของพวกเราและพ่อของพวกเราด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยการปฏิบัติรรทำเถิดการแสดงก็เคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อน ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครางเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปการปฏิอ an ิจตังปฏิตางตุมห um ังคิปะเมวะสัมิจตุสพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยธาเมณโชติระโสยธาสภีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรมมวทานติ อายุวโนสุขังทาราช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามขอความการุณาถามในช่วงนี้ได้เลยเนี่ยหลังจากที่ปิดไมโครโฟนไปแล้วก็จะไม่ตอบอีกต่อไป งั้นอย่ารอให้เวลาปิดไมโครโฟนแล้วค่อยมาถามไไถ้าอยากจะถามขอความกรุณาถามในช่วงนี้เพื่อจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนสาธรรมิกะคือเพื่อนเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมจะได้ยินได้ฟังปัญหาของแต่ละท่านเพราะว่าเวลาปฏิบัติเราก็มักจะเจอปัญหาแบบเดียวกันแล้วเมื่อเราได้ยินได้ฟังล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว รู้วิธีที่จะป้องกันหรือวิธีแก้ไขเราก็จะได้ไม่สะดุดสามารถปฏิบัติไปได้อย่างสะดวกสบายไม่ติดขัดดังนั้นไม่ต้องอายถ้าอยากจะถามอะไรถามได้เลยอย่าถามตอนที่ปิดไมค์นะจะไม่ตอบอทางนี้อยากจะถาม ขอกราบถามทาพระาจารย์นะคะว่ า, <อ>าค่ะพเพลาใกล้ๆปากเลยค่ะเวลาทานี้เออเวลาจเวจเจริญภาวนานะคะรู้สึกว่าตาเนี่ยมันจะหนักๆ ก, ก็ไม่ทราบประโยมไม่ทราบว่าจะแก้ตรงนี้อย่างไรก็เพิ่งจะปฏิบัติอะนันะ่นใช่คะก็ะไม่ต้องแก้อะไรมันหนักก็ปล่อยมันหนักไปเจ้าค่ะอ่ามันเป็นเฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นใช่ไหม เป็นช่วงแค่ไม่กี่วันมานี้อะเจ้าค่ะก็เลยบอกเอ้ไม่ทราบว่าอยู่วเวลาอื่นมันเป็นหรือเปล่าเวลาดูหนังดูละครมันเป็นหรือเปล่าปิดบ้างเหมือนกันาาเป็นก็ต้องไปหาหมอเจ้าค่ะถ้าเป็นเรื่องของร่างกายก็ต้องไปหาหมอแต่ถ้าเวลาอื่นไม่เป็นตอนนี้ไม่เป็นวันนี้เพเป็นรึเปล่าจิร้อยเจ้าค่ะเนี๋ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเวลานั่งสมาธิแล้วค่อยเป็นใช่ไหม มันอาจจะเกี่ยวเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่ทราบโยมก็เลยอยากจะเอเอดีถามท่านพราจถ้ามันเกี่ยวก็ต้องเป็นเฉพาะตอนที่นั่งสมาธิถ้าเวลาอื่นมันเป็นด้วยมันก็ไม่เกี่ยวกับว่ามันเกิดจากสมะการนั่งสมาธิ ถ, าถ้ามันเป็นตลอดเวลานี่มันก็ต้องไปหาหมอแต่ถ้าเกิดเป็นเฉพาะเวลานั่งสมาธิก็ไม่ต้องไปสนใจมัน เปลียนท่านพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับผมมีเรื่องจะรบกวนกลับถานกลับถามครับคื อ, อาการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยครับพระอาจารย์พูดม า, าหมายถึงว่าการเข้าสงบนะครับแต่ว่าผมปฏิบัติเนี่ยรู้สึกว่ามันมันไม่มีเลยครับคือมันเหมือนกับว่ า, อ, าอย่างเช่น ผมกาหนดลมหายใจเข้าออกนะครับลองเข้าหนึ่งออกสองไล่ไปเรื่อยๆประมาณห้าสิบอ่ะฟุ้งไปอย่างอื่นละอ่าไอ้ที่ว่าปุ๊บเข้าไปแล้วก็นิ่งแบบเป็นอุเบกขาเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะที่ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปมาสมาธินะี่มันคือยังไงมันเป็นยังไงก็ก็ก็ไม่ท้อ่ครับเพราะว่าเขาบอกว่า แค่ช้างกระดิกหูงูแล็บลิ้นเขาบอกว่าใช้ได้เออนะไม่เป็นไรเอามันไปเรื่อยๆครับทีนี้ก็คือผมอยากทราบว่าคานิกะอุปจาระแล้วก็อัปปานาเนี่ยมันคื อ, อยังไงเป็นยังไงครับเพราะคนไม่มีสติไงมันก็เลยไม่เป็นบอกสีแดงสีเขียวให้คนตาบอดฟังมก็เสียเวลาเปล่าๆลืมตาดูบมันก็เห็นเอง ตั้งสติขึ้นอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นจนหลับเดี๋ยวมันก็เข้าสู่กันิกะอัปปนาสมาธิของมันเองอย่าไปถามให้เสียเวลาให้อธิบายยังไงมันก็ไปไม่ถึงอยู่ดีอยากจะไปถึงอยากจะสัมผัสแบบที่โบราณว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นก็ต้องเจริญสติให้มากสตินี้ต้องมีกำกับอยู่ทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย ถ้ามีพุโทโธอยู่ตลอดเวลานี่เวลานั่งสมาธิห้านาทีก็เข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นคุณไปนั่งถามใครกิจอาจารย์ที่ไหนกี่ร้อยรูปถามไปถ้าคุณไม่มาเจริญสติคุณก็จะไม่มีวันที่จะได้ได้รับคําตอบที่คุณต้องการหรอกดังนั้นอย่าไปเสียเวลาถามให้เสียเวลามาฝึกสติให้มากๆให้ดึงใจไว้ในปัจจุบันให้ลเลิอกอยิ้วอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ให้อยู่กับพุทโธไปหรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปให้เฝ้าดูมันไปถ้าจะถ้าดูร่างกายก็คอยดูมันตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินกำลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวากำลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวากำลังอาบน้านกาลังแต่งตัวกาลังทาอะไรให้มันอยู่กับงานที่ร่างกายกาลังทาอยู่ อย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้หรือถ้าไม่ไม่ยอมอยู่ก็ใช้พุทโธดึงเอาไว้พุทโธไม่อยู่ก็พุทโธหนึ่งพุทโธสองไปกํากับไปมันต้องมีความเพียรมีความพยายามที่จะเจริญสติถ้าไม่เพียรไม่พยายามทําไปจนวันตายมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีครับผมก็ออออตอนนี้ก็พยายามอยู่กับบางทีนี่พุทโธไปบางที สาสิบนาทีเนี่ยอาจจะพอได้ครับแต่ว่าเลยสามสิบนาทีเนี่ยโอ้โหมันแค่พุโทโธหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไปแล้วไอ้อย่างนี้ครับอาจารย์ยนั่นแะครับคุณก็ต้องดึงมันกลับมาให้ได้ไมเหมือนชักไะเยือกันครับเขาดึงไปเราดึงมาถ้าเรามีกําลังมากกว่าเราก็ชนะถ้าเขามีกําลังมากกว่าเราก็แพ้ตอนนี้เขามีกําลังมากกว่าเราก็เลยแพ้ใจของเราก็เลยไม่สงบมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความอยากรู้ ว่ามันเป็นอย่างไรความสงบแต่ความอยากรู้มันไม่ได้ทำให้เกิดความสงบขึ้นมาความความมีสติท่านั้นถึงจะถึงจะทำให้เกิดความสงบขึ้นมายพยายามฝึกสติไปพอลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็ตั้งพุทโธไปเลยหรือเฝ้าดูร่างกายไปแล้วตอนนี้ร่างกาย ก, กำลังทำอะไรอยู่กำลังนอนกาลังลืมตากาลังลุกกาลังยืนกาลังเดินกาลังเข้าไปห้องน้ำ ให้อยู่กับร่างกายอย่ปล่อยให้มันไปนู่นบางทีลืมตามาปร้อวันนี้วันอะไรจะไปทําอะไรที่ไหนคิดไปแล้วกับบางทีเนี่ยอาจารย์ อ, อ่าพอฟังเทศประจารย์เอาแล้วมันไฟลุกเลยต้องเอาให้ได้ครับก็ทําไปนิดนึงเจอหน้าอาจารย์เออต้องไปทําบุญใสายบาดอาจารย์บ้างแล้ววะคือคิดไปคิดมากว่าจะไปถึงบ้านอาเภอเอา้าตายแล้ว อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือมันคือถ้ามันเป็นสวิตไฟน่าจะปิดปุ๊บได้เลยแต่ว่ามันอก็เลยข้อสองครับก็เลยเซฟเซฟไปดีกว่าก็คือว่าทานศีลภาวนาเอานี้ก็คือถ้าจะภาวนามันรู้สึกจะไม่ค่อยได้เข้าขั้นพอจะกันอบายอะไรบ้างมันจะไม่อยากจะ ไปเกิดแถวแอฟริกาไปแถวตะวันออกกลางคืออย่างนี้น้อยนี่ก็คือขอให้ได้เป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนาได้ทําบุญทําทานจเจริญภาวนาต่อเนื่องก็ให้ทําบุญมากกว่าทำบาปก็แล้วกันเวลาตายไปขอให้บุญมันมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะได้ดึงไปสวรรค์ไปสู่ที่ดีได้บาป ก, ก็เพราะว่าเร อ, อไว้ก่อนมันไม่หมดแต่ ยังไม่มีโอกาสได้แสดงผลเพราะว่าบุญมันมีกำลังมากกว่าแต่เวลาใดที่บุญมันอ่อนกว่าบาปเวลานั้นมันจะพาเราไปที่ที่เราไม่อยากจะไปกั น, นครับผม<ฟ>หมดคำถามครับคำถามต่อไปจากคุณแพร ว, ว่าถ้าเราเลือกที่จะบวชสำหรับในทางโลกแล้วไม่ถือว่าเราเป็นคนขาดความรับผิด ช, ชอบหรือเจ้าคะ ยิ่งถ้าแม่ลูกต้องอยู่กันอย่างยากลําบากเราจะไม่บาปหรือคะเวลาเราไปเที่ยวใช้เงินหมดนี่ไม่ได้มาเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องเหล่านี้บาปหรือเปล่าเวลาไปเล่นการพนันหมดเนื้อหมดตัวนี้ไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มกันไปสนุกสนานเฮฮากันอย่างนี้ไม่บาปใช่ไหมไม่เห็นแก่ตัวใช่ไหมพอไปปฏิบัติธรรมขึ้นมานี่กลายเป็นปัญหาขึ้นมาเลย มันก็เราก็ต้องดูสภาพของเราว่าเรายังมีความรับผิดชอบมีสิ่งที่เรายังต้องอมีภาระหน้าที่หรือเปล่าถ้าเรามีเราก็ต้องหาวิธีจัดการกับมันไม่ใช่ว่าจะไปแบบทิ้งไปเลยก็ไม่เชิงถ้ายังมีภาระมีหนี้เขาก็ไม่ให้บวชถ้าเป็นค่าราชการถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตจาก พระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินก็บวชไม่ได้ถ้าเป็นลูกถ้าพ่อแม่แม่แมอนุ ญ, ญาตก็บวชไม่ได้มันต้องไปเคลียร์ปัญหาต่างๆให้หมดไปก่อนถ้ายังเคลียร์ไม่ได้ก็ยังบวชไม่ได้มีอะไรก็ต้องไปเคลียร์ให้มันหมดไปก่อนคำถามต่อไปจากคุณเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาถ้าเราไม่ได้บวชพระ ไม่ได้เจริญกรรมฐานถึงขั้นสูงแต่ฟังเทศอ่านหนังสือแล้วนำความรู้นั้นมาใช้เช่นเวลาเกิดความรู้อะไรขึ้นมาฝึกดูและให้มันกลับมาอยู่ตรงกลางคือไม่รู้สึกไปตามอารมณ์นั้นผิดหรือไม่คะมีโอกาสไปถึงจุดสูงสุดคือ น, นิพพานได้หรือไม่คะการการที่เราควบคุมจิต น, นั้นก็เป็นการปฏิบัติอยู่แล้ว เช่นบอกควบคุมจิตให้เป็นกลางนี่มันก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติแล้วเพียงแต่ว่ามันจะเป็นกลางได้นานเท่าไหร่เท่านั้นเองถ้าเป็นกลางได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจะตายจะรวยจะจนจะถูกคนก็ดา่าคนก็ชมก็ยังเป็นกลางได้อยู่มันก็ไปนิพพานได้นี่คือการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปอยู่ในป่าในเขาเสมอไป สำหรับคนบางคนถ้าเขามีบาลีมีแ ก, ก่กล้าแล้วเขาสามารถที่จะทําใจให้เป็นกลางได้ตลอดเวลาไม่เกิดความโลภโกรธหลงไม่เกิดความรักชังกลัวหลงเขาก็เขาก็ถึงนิพพานได้แต่ที่ต้องไปอยู่ในป่าตามเขาไปบวชกันก็เพื่อที่จะสร้างพลังจิตนี้ขึ้นมาให้มันอยู่เป็นกลางให้ได้เท่านั้นเอง เพราะว่าถ้าไม่บวชอยู่บ้านมันไม่เป็นกลางมันเห็นขน ม, มนเห็นก๋วยเตี๋ยวมันก็น้าลายหลายแล้วอย่างนั้นมันไม่เป็นกลางแล้วเห็นแฟนก็อดไม่ได้แล้วแฟนไปคุยกับใครหน่อยก็โกรธขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันไม่เป็นกลางจึงต้องหนีไปอยู่ที่ไกลๆไปฝึกทําใจให้เป็นกลางถึงต้องไปบวชกันสําหรับฆราวาสบางคนในสมัยพระพุทธการนี่เขาไม่ต้องบวชเขาก็บรรลุได้แต่มีน้อย มีชายคนหนึ่งถามพระพุทธเจ้าอยากให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังพระพุทธเจ้าตอนนั้นกำลังบินทบาทอยู่ก็บอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะแสดงธรรมเขาก็ยืนยันขอร้องขอกรุณานะพูดสั้นๆ ก, ก็ก็ได้ขอให้เอาแต่แก่นเลยพระเจ้าก็ทรงโปรดว่าเธอจงสักแต่ว่าเห็นเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยิน รู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้นี่ยเท่านั้นแหละเขาก็บรรูปได้เราทําได้ไหมเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ไหมเห็นเพชรขึ้นมานี่เห็นเฉยเฉยได้ไหมยขาหยิบยื่นเพชรมาวางไว้ข้างหน้าเราแล้วเราไม่ไปหยิบได้ไหมนั่นแหละเห็นเฉยเฉยใครก็ด่าก็ฟังเฉยเฉยได้ไหมใครก็ชมก็ไม่ต้องดีออกดีใจได้ไหมใครก็แย่งแฟนไปก็เฉยได้ไหมนั่นแหละ ความหมายอยู่ตรงนั้นเองการปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้ใจเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เท่านั้นเองถ้าเฉยได้ก็ถึงมรรคพานคำถามต่อไปจากแม่ชีหมอกัลยามีหมอที่โรงพยาบาลพูดฝากมาบอกว่ากลับมาตรวจคนไข้แบบเดิมได้แล้วใส่ชุดแม่ชีก็อยู่ตรวจคนไข้ได้ฟังดูมันก็ตลกแต่พอมาภาวนามันก็สับสน เพราะตั้งแต่บวชมาภาวนามาก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยก้าวหน้ามากเป็นการขยับที่มองไม่เห็นส่วนเรื่องลาออกจากราชการมันก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนแต่อยู่ๆก็เอาคาพูดเรื่องกลับมาตรวจคนไข้ใส่ชุดแม่ชีตรวจก็ตรวจได้มาคิดแล้วพอให้เหตุผลสอนตัวเองว่ากลับไปมันก็เห็นปัญหาแบบเดิมๆแต่ในขณะที่บวชแล้วภาวนา มันก็ไม่ก้าวหน้าเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยค่ะเพราะว่าภาวนาไม่มากสองอาจจะภาวนาไม่ถูกนมันก็เลยไม่ได้ผลวันหนึ่งมียี่บสี่ชั่วโมงเราไปทาอะไรถามตัวเองดูอยู่กับพุทโธหรือเปล่าอยู่กับสติหรือเปล่าหรืออยู่กับเป็นหมออดีตบ้างอนาคตบ้างคิดปรุงแต่งอยู่ทั้งวันถ้าปฏิบัติอย่างนี้ มันก็ไม่มีวันที่จะคืบหน้าได้มันต้องลบเรื่องทั้งราวเรื่องราวต่างๆให้มันออหมดไปจากใจลือมอดีตที่ผ่านมาตอนนี้ไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นอะไรแล้วตอนนี้เป็นแม่ชีหัวลอนลอนผู้ที่มุ่งสู่พระนิพพา น, านไม่กังวลถึงอน า, าคตถ้าจะคิดถึงอนาคตก็คิดว่ามันก็แค่แก่เจ็บตายเราเราอยู่เท่านั้นให้อยู่ปัจจุบันให้ลือมอดีตหลือมานาคต ให้ละความโลภโกรธหลงให้ทำใจให้สงบมันก็แค่ น, นี้เองทรไมไม่ทำวันวันหนึ่งโวนั่งคิดแต่เรื่องคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้แล้วมันจะไปเอาความก้าวหน้าอยู่ตรงไหนคำถามต่อไปจากคุณกะหนกพรดิฉันฟังเทศของพระอาจารย์ช่วงตอบคำถามแล้วเข้าใจว่าใจของทุกๆุกคนไม่ว่าจะเป็นโจนครูพ่อค้าเด็กคนแก่ พระอาหารหันต์ใจของทุกๆคนอยู่ในดินแดนพระนิพพานเป็นความว่างเปล่าอยู่แล้วแต่ส่งกระแสจิตมายังขันห้าคิดพูดทำสิ่งต่างๆถ้าสิ้นกิเลสตัณหาอาสวะและนิพพานไปแล้วคือตายใจก็ยังคงอยู่ที่เดิมคือดินแดนพระนิพพานแต่ไม่ต้องส่งกระแสจิตมายังขันห้ามาแบกขันอีกต่อไป ดิฉันเข้าใจถูกต้องไหมคะก็ถูกต้องบางส่วนเนี่ยถ้าถูกต้องจริงก็ไม่ต้องถามเลยงั้นต้องไปปฏิบัติถึงจะรู้จริงว่าเป็นอย่างไรของนี้พูดไปบอกไปก็เหมือนบอกคนตาบอดว่าสีเขียวสีแดงเป็นอย่างไรพูดไปยังไงมันก็ไม่ตรงพูดไปก็าเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีถ้าเข้าใจก็ไม่ต้องมาถามใครให้เสียเวลาไปเปล่า ถามต่อว่าอย่างนี้ความว่างหรือดินแดนพระนิพพานก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกมันอยู่ในจิตของคนที่มีสติปัญญาคนที่ไม่มีสติปัญญาก็มีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความวุ่นวายเดือดเนื้อร้อนใจถามต่อว่าหลวงตามหาบัวเคยเทศว่าเมื่อหลวงตาตายใจก็จะดีดผึงออกทันที ใจที่ดีดผึงคือนิพพานธาตุคือความว่างนี่หรือค ะ, อะต้องไปถามน้องตาดูนะคำถามต่อไปจากคุณวาสนาข้อแรกหากเราพบเห็นข่าวคนตายแล้วเราพิจารณาว่าลักษณะการตายแบบนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับเราลูกเราหรือคนที่เรารักก็เป็นได้เป็นการพิจารณาเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจที่ถูกหรือผิดคะ ก็เป็นการสอนใจว่าต่อไปเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันญาติพี่น้องอคนที่เรารักเราชอบก็จะต้องพบกับความตายเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าใครจะไปก่อนใครท่านั้นเองถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ใจของเราจะพร้อมรับกับเหตุการณ์จะไม่ต่อต้านจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์เพราะรู้ว่า ห้ามไม่ได้มันเป็นสิ่งที่สุดวิสัยเหนือวิสัยที่เราจะไปห้ามมันแต่เราสามารถที่จะห้ามใจของเราไม่ให้ทุกวุ่นวายไปกับความตายได้ถ้าเราเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ก่อนข้อที่สองคุยธรรมะกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าเขารู้ว่าเขาก็ต้องตายลูกสามีก็เช่นกันเท่านี้ก็พอแล้ว แต่ไม่เคยคิดว่าจะตายลักษณะใดหรือไม่เคยนำเคสการตายของผู้อื่นมาคิดเพราะไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้เป็นการกล่าวที่ถูกไหมคะเรื่องของการตายในลักษณะไหนั้นมันไม่สาคัญฮะมันก็มีราคาเท่ากันก็คือตายเหมือนกันเห็นจะตายดีตายตายทางน้าตายทางอากาศตายทางไฟทางอะไรมันก็ตายเหมือนกัน แนะไม่สำคัญว่าจะตายแบบไหนสำคัญที่ว่ายอมรับความตายได้หรือเปล่าถ้ารับได้ก็จะไม่ทุกข์เช่นถ้าไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายไม่สามารถรักษาได้ให้เตรียมตัวเตรียมใจไปจองศาลาวัดได้แล้วเนี่ยจะจะรู้สึกว่าเหมือนกับไปเตรียมจองที่พักไปเที่ยวต่างประเทศหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศจะไปได้พักโรงแรมห้าดาว มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรความตายก็ต้องเป็นแบบนั้นเป็นเหมือนกับการเดินทางเราเดินทางออกจากโลกนี้ออกจากร่างกายนี้เรามาอาศัยร่างกายนี้อยู่ชั่วคราวพอร่างกายนี้บอกว่าไม่ให้อยู่แล้วเราก็ต้องไปแค่นั้นเองเราพร้อมที่จะไปหรือยังถ้าเราพร้อมที่จะไปหรือว่าเราคิดว่าเหมือนกับเราไปไปเที่ยวต่างประเทศนี้เราก็ยินดีที่จะไปกัน อยู่ใกล้ตรงนี้ว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์กับความตายถ้าไม่ทุกข์กับความตายก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ายังทุกข์อยู่ก็ต้องก็ต้องแก้ให้ได้ต้องทำใจให้ได้ข้อที่3 ม, มีโรงเรียนที่มีคติประจำโรงเรียนว่าสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยฝึกให้เด็กรักษาศีลห้าตื่นนอนและก่อนนอนนั่งสมาธิและกิจกรรมการเรียนรู้จะประสบ จากประสบการณ์จริงเด็กๆ90กว่าเปอร์เซ็นต์มีสมาธิและสอบเอ็นทรานในมหาวิทยายลัยของรัฐบาลได้แบบนี้เรียกว่าสิ่งที่โรงเรียนให้ทําเป็นการล้างสมองเด็กไหมคะเนีย่ยเวลาไปโรงเรียนก็เป็นการล้างสมองพวกเราเันทุกคนเลยความจริงมันก็ดีอ่ะมันเป็นการล้างสมองที่สกปรกให้มันสะอาดก็ไม่น่าจะเสียหายหตรงไหนล้างจากความโง่ให้มาเป็นฉลาดนี่มันจะไปเสียหายหตรงไหน คำถามต่อไปจากคุณจาจิจาจิเวลาภาวนาแต่ก่อนจะเริ่มบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆตอนนี้พอเริ่มภาวนาด้วยพุโทโธสักระยะคำบริกรรมพุโทโธหายไปแต่จิตยังสงบอยู่หรือบางครั้งพอเริ่มภาวนาจะไม่มีพุโทโธเลยภาวนาดูลมหายใจไปได้เลยแต่ละแต่ระยะนี้เวลาภาวนาได้สักพักเหมือนจะหยุดหายใจ หายใจไม่ออกพยายามกำหนดรู้แต่ทำไม่ได้ต้องรีบสูดลมหายใจเข้าแรงแงแล้วเริ่มภาวนาใหม่ทำให้ไม่ต่อเนื่องต้องทำอย่างไรดีคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีภาวนาอย่าไปใช้ลมหายใจใช้พุทธโธไปแทนหรือใช้อะไรก็ได้เช่นใช้อาการสาสิบสองอาการใดาอาการหนึ่งก็ได้เช่นเลืกถึงโครงกระดูกก็ได้ เพราะว่าบางทีเราไม่ถูกเจริญกับการดูลมหายใจมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะใช้ลมหายใจทำใจให้เราสงบได้ก็ลองทดลองอย่างเกินดูลองบริกรรมพุทโธดูลองสวดมนต์ไหว้พระดูลองดูอาการสามสิบสองอาการใดอาการ 1, หนึ่งหรือหลายๆอาการก็ได้ให้เลือกดูเอา เพราะวิธีทำใจให้สงบนี้มีอยู่ถึงสี่สิบวิธีด้วยกันเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้เลิกถึงพระธรรมคาสอนก็ได้เราเลิกถึงพระสงฆ์สาวกก็ได้เราลึกถึงความตายก็ได้เราลึกถึงเทวดาทั้งหลายก็ได้เราลึกถึงความว่างก็ได้มีวิธีหลายวิธีด้วยกันถ้าอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างก็ลองเข้าไป ถามหมอคูเก้าดูอาจารย์คูเก้าดูก็ไเขียนว่ากรรมฐานสี่สิบแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาเองคำถามต้องไปจากผู้ฝากถามนิพพานทุกคนต้องได้ต้องมีทุกคนแต่จะถึงวันใดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องของจะต้องได้หรือไม่ต้องได้เป็นเรื่องอยู่ที่ว่า มางเรื่องอยู่ที่ว่าของการปฏิบัติเนีถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนิพนิพานมันก็จะเป็นผลตามมาถ้าปฏิไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบมันก็จะไม่ได้นิพพานข้อที่สองคำว่าสัตตะนี้หมายถึงตัวตนคนเราจริงๆไม่ใช่จิตถูกต้องไหมครับคําว่าสัตย์หมายถึงผู้ที่มีดวงจิตดวงใจนี้ ที่เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในตายภพนี้เราเรียกรวมๆกันว่าเป็นสัตว์สัตว์ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ไม่ใช่หมายความว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเทวดาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งพระอริยบุคคลก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งคำว่าสัตว์นี่พูดรวมๆก็คือดวงจิตแต่ละดวงนี่แหละ ที่ยังเวียน่าวตายเกิดแล้วไม่เวียนไหวตายเกิดแล้วก็สุดแท้แต่เราเรียกว่าสัตว์หมดจัดทั้งหลายทั้งปวงคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามกราบขอหลวงพ่อเมตตาอธิบายขอบเขตของคำว่าอุเบกขากับเมตตาในกรณีที่เจอการกระทาที่ละเมิดกฎกติกาของการอยู่ร่วมกันอย่างเช่นการมาฟังธรรมบนเขาซึ่งมีคนมาจำนวนมาก ก็มีกฎและกติกาบางอย่างเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นการขอให้ปิดโทรศัพท์มือถือในระหว่างฟังธรรมเพราะสัญญาณโทรศัพท์รบกวนลำโพงทำให้มีเสียงแทรกเวลาฟังธรรมการวางแผงก้านทางขึ้นเพื่อไม่ให้รถผ่านเวลาหลวงพ่อแสดงธรรมการพาเด็กเล็กๆมาแล้วไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในความสงบเด็กส่งเสียงดังรบกวนผู้มาฟังธรรม หรือช่วงนี้หน้าแง้งน้ำน้อยก็มีการขอความร่วมมือให้คนที่มาฟังธรรมกรุณาทำละรมธุระส่วนตัวด้วยการเข้าห้องน้ำมาจากข้างล่างให้เรียบร้อยหรือแม้กระทั่งใช้ห้องน้ำแล้วก็ขอให้มีการรักษาความสะอาดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องน้ำแล้วที่หนักสุดมีบางคนที่ถือตัวว่าเป็นลูกศิษย์มานานก็ไปรอหลวงพ่อหน้ากุฏิ ซึ่งมองกันว่าเป็นการรบกวนหลวงพ่อทั้งที่ควรมารอที่ศาลาและเมื่ออ้างว่าเป็นลูกศิษย์มานานทำให้ไม่มีใครกล้าไปพูดไปบอกอะไรเพราะกลัวว่าบอกแล้วขเขาจะแสดงความไม่พอใจแล้วเอตโลใส่ยิ่งทำให้เกิดเสียงดังรบกวนหลวงพ่อทุกคนได้แต่เงียบและดูพฤติกรรมเขาแบบมีอารมณ์คุนเคืองนิดๆเจอเหตุการณ์เหล่านี้แล้วจะมีอุบายวิธีแก้ปัญหาและวางใจอย่างไรคะ ก็ถ้าเราพูดด้วยความเมตตาแล้วไม่ได้เกิดผลก็ไม่ต้องพูดก็แล้วกันถ้าพูดแล้วเป็นเรื่องต้องทะเลาะวิวาสกาันโกรธกรันเกลียด ก, กันก็ไม่ต้องพูดปล่อยให้เขาทําไปตามบุญตามกรรมของเขาใช้หลักว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นยกเว้นในกรณีที่เขาทาแล้วเกิดการก่อกวนหรือสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ส่วนรวมผู้ที่มีความสามารถเด้ออาจจะหลายๆท่านอาจจะช่วยกันระงับเหตุการณ์ น, นั้นได้กําลังนับไป mm hmm. เช่นเกิดมามึนเมาแล้วอารวาดอย่างนี้ส่งเสียงดังบรบกวนคนอื่นถ้าจะปล่อยให้เขาอารวาสมันก็จะทําลายความสงบก็อาจจะต้องมีการทําอย่างใดยอย่างหนึ่งเพื่อให้เขา หยุดการกระทานั้นแต่ถ้าหยุดไม่ได้ก็ก็ต้องทำใจอยู่เฉยๆอุเบกขาไปปล่อยให้เขาอาราวาดไปจนกว่าเขาจะเหนื่อยแล้วเขาก็จะหยุดเองมีคำโบราณที่เขาพูดว่าให้ใช้เอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวถ้าเขาเคลื่อนไหวแล้วเราหยุดเขาไม่ได้เราก็ใช้ความสงบเพื่อนั่งเฉยๆปล่อยให้เขาแสดงไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเอง แต่อย่าไปทำอะไรให้มันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาได้ไม่คุ้มเสียคำ ถ, ถ, ถามทางบ้านหมดแล้วที่ศาลาในนี้ในบริเวณนี้มีใครอยากจะถามไหมเชิญถามได้กลับนมสัส ก, การหลวงพ่อเจ้าคะ่ะขอโอกาสนะเจ้าค่ะพอดีลูก จเจริญอสุพาค่ะเมื่อก่อนก็คือดูร่างกายของตัวเองอะค่ะบางทีก็คอหลุดอะค่ะมันก็หลุดไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็พิจารณาไปแขนมันก็หลุดไปอยู่อีกที่นึงขามันก็หลุดไปอยู่ที่นึงแล้วก็อจะมีไส้มีอวัยวะภายในอะค่ะหลุดออกมาเราก็ดูไปมันก็เห็นถึงความโสโครกแล้วก็บางทีก็จะดูผมอะค่ะผม เวลามันเกิดขึ้นมาค่ะจิตมันก็จะดูมันก็จะไปยึดว่าเป็นของมันแต่ผมมันก็ล่วงไปมันก็ยึดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันล่วงไปแล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดขึ้นมาใหม่จิตก็เตรียมแล้วจะไปยึดผมแล้วผมก็ล่วงไปอีกแล้วจิตก็ยังไม่ไปยึดเพราะว่ามันมันยังมันมันยังเปลี่ยนแปลงค่ะยังมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ล่วงไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ล่วงไปก็เกิดขึ้นใหม่เสร็จทีนี้บางครั้ง ตั้งจิตไว้กลางอกแล้วดูกระดูกหน้าอกอะคะ่ะแล้วดูไปดูไปดูดูไปสักพักใหญ่ๆมันก็กลายตรงหน้าอกอะคะ่ะมันก็กลายเป็นเกลด็ดแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่กลายเป็นเกล็ดเนี่ยแล้วมันก็กลายเป็นดินแล้วทีเนี้ยก็เกิดความรู้ขึ้นมาในใจว่าอ๋อมันเป็นดินแล้วหลังจากดูก็พัดูดูร่างกายมาเรื่อยๆนะคะแล้ว ช่วงเนี้ยหนูมาดูจิตเวลาเกิดความปรุงแต่งขึ้นมาค่ะจิตมันจะอยู่ที่หนึ่งความปรุงแต่งมันจะอยู่ที่หนึ่งแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอะคะ่ะแล้วมันก็จะดับไปแล้วก็เวทนาเวลาเกิดเวทนาขึ้น <S <S เหมือนกับจิตมันอยู่ที่หนึ่งเวทนามันอยู่ที่หนึ่งก็ถามผู้รู้ว่าทุกไหมตอนแรกมันบอกว่าทุก ก็เลยถามว่าทุกไหมมันก็บอกว่าทุกแล้วพิจารณาดูไปเรื่อยๆจนถามว่าใช่ตัวเราไหมแล้วมันก็ตอบกลับมาว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่ารู้สึกระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าฉลาดมากที่สามารถทําเรื่องที่ ละเอียดอ่อนแม้ว่าเราจะยังไม่เข้าใจทำตามที่ท่านได้สั่งสอนไว้ทั้งหมดแต่ว่าคือแนวทางที่ท่านพาเดินเนี่ยมั่นใจว่าทางเนี้ยเป็นทางที่ถูกต้องแล้วขออุบายในการพิจารณาต่อคะ่ะว่าลูกสบควรจะพิจารณาในวงนี้ต่อไปคือการพลพิจารณาร่างกายก็ดี เ่เวทนาก็ดีนี้เราพิจารณาเพื่อให้เห็นความจริงของเขาว่าเขาไม่เที่ยงว่าเขาเป็นอนัตตาคือเป็นดินน้ำลมไฟไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของใครก็ตามต้องพิจารณาทั้งของเราด้วยทั้งของคนอื่นด้วยเพื่อที่จะได้บ่อยวางร่างกาย คือไม่ทุกข์กับการแปรปรวนการเปลี่ยนแปลงหรือการเสื่อมไปของร่างกายอันนี้เป้าหมายอยู่ที่การปล่อยวางหรือการไม่มีความอยากเกี่ยวกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นห้ามมันไม่ได้มันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปเวทนามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหาย อย่าไปอยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะความอยากนี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราการปฏิบัตินี้เพื่อต้องการดับความทบทุกข์ทรมานใจความทุกข์ทรมานใจจะดับไปได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นความจริงของร่างกายและความจริงของเวทนาว่ามันจะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็าเร็วไม่ช้าก็าเร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ แล้วก็ต้องตายไปไม่ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีของใครก็ดีเหมือนกันหมดต้องพิจารณาทั้งของเราด้วยทั้งของผู้อื่นด้วยเพื่อที่เราจะได้ไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพื่อเราจะได้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็พิจารณาร่างกายให้เห็นว่ามันไม่สวยงาม มันมีสิ่งที่น่าดูอยู่ภายใต้ผิวหนังของเรามีโครงกระดูกมีบอดหัวใจมีตับมีลำไส้มีสิ่งอะไรต่างๆที่น่าน่าดูน่ายขยะขแยงแต่ถ้าเราไม่ดูมันไม่ดูก็ไปข้ า, างในเราจะหลงคิดว่าคนน่นนารักน่าดูน่ า, น า, นาชมแล้วจะทำให้เราเกิดความรักความใคร่ขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ได้ เขามาเป็นสมบัติของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือได้เขามาแล้วเวลาสูญเสียเขาไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเห็นว่าเขาไม่สวยไม่งานไม่น่าดูเราก็จะไม่อยากได้เราก็จะอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีใครมาเป็นเพื่อนให้ความสุขกับเราเพราะสิ่งที่เราอยากจะให้มาความให้ความสุขกับเรานี่มันน่าเกลียด น, น่า ก, กลัว ถ้านึกถึงโครงกระดูกของเขานึกถึงปอดหัวใจลาไส้ของเขามันก็จะทำให้เร า, เาปล่อยวางความรักความคลายได้เข้าใจไหมเข้าใจคะ่ะตอนมีรู้สึกเบื่อหน่ายในร่างกายคะ่ะบางทีพิจารณาทีก็ จ, จ, จะอ้วกขึ้นมาคะ่ะว่ามันถ้ามันอ้วกก็สแสดงว่ามันหยาแรงเกินไปแล้วให้พิจารณาเพื่อให้มันไม่ไม่อยา ให้ปล่อยวางให้ให้ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันถ้าอ้วกนี้ก็แสดงว่ามากเกินไปไม่ได้พิจารณาเพื่อให้อ้วกพิจารณาเพื่อให้เฉยไม่ให้ยินดียินร้ายกับร่างกายตอนนี้เมื่อก่อนนะคะเมืม่อไหร่ใหม่ๆนี่จะ อ, อ้วกถ้ามันอ้วกแสดงว่าสมาธิไม่มีถ้ามีสมาธิแล้วมันจะไม่อ้วกมันจะเฉยเฉย ยังก็ต้องฝึกสมาธิด้วยั น, นั่งทําใจให้สงบให้นิ่งให้รวมก่อนก่อนที่จะมาพิจารณาทางปัญญาถ้ามีสมาธิแล้วมันจะเฉยจะเป็นอุเบกขาเข้าใ จ, าใจอ่ามีใครถามต่อหมอเหรออ่าค ก, การาานิพพนการอาจารย์นอกจากการเจริญสติ ในชีวิตประจําวันแล้วอะค่ะในช่วงที่ที่ปฏิบัติอยู่ก็คือการเหมือนกับดูสิ่งที่กระทบในช่วงประจําวันเนี้ยค่ะถ้ามีสิ่งที่มากระทบใจก็จะใช้หลักพิจารณาเข้าไตลักษณ์หรือว่าดูขันห้าว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรเนี่ยค่ะมันเป็นสังขารตกแต่งมันคือสัญญาหรือว่ามันคือเวทนาที่เกิดขึ้นกับใจแล้วก็พิจารณาว่ามันมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่ของเรามันว่างจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช้อย่างงั้นก็ก็ใช้ได้ใช่ไหยคะก็ดูผลว่าเป็นยังไงใจเราสงบไม่วุ่นวายไปกับมันหรือเปล่าถ้าเราวุ่นวายไปกับมันก็แสดงว่าใช้ไม่ได้ถ้าพิจารณาแล้วเฉยสบายใครจะด่าก็เฉยใครจะชมก็เฉยอย่างนี้ก็ใช้ได้เงินเดือนขึ้นก็เฉยเงินเดือนลงก็เฉยต้องทำงานทำเวรในเวลาที่เราไม่อยากจะทาก็เฉย เขาให้ทำอะไรก็ทำไปมันเป็นอนิจจังไม่แน่นอนเกิดต้องเฉยกับทุกอย่างถ้าไม่เฉยก็ต้องพิจารณาให้มันเฉยให้ได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นตายรักมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเป็นอนาตตาเราไปสั่งมันไม่ได้เราทำได้อย่างเดียวก็คือทำใจถ้าทำใจได้มันก็จะเฉยได้ยอมรับกับสภาพของเรายินดีตามมีตามเกิด